ก็ไม่ไปไหนเหตุจำเป็นมีก็ต้องอดำเนินตามหลักพระวินยัยคือสัตตาสัตตาหะกรณียกิจยิจที่ควรจะไปได้มีอยู่เจ็ดมี7วันนั่นบอกวิดามาันดาป่วยเพื่อนฝูงธรรมิกครูหรืออาจารย์ป่วยนั่นก็บอกไว้าตามหลักพระวินยัย วัดวาว่าจำรุดมากจนจะหาที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ไม่ได้เช่นสาราลงชันเป็นต้นไปหาไม้มาทำมาซ่อมแซมสัตหาไปได้เด็กมาข้างวัดคืนหนึ่งแล้วออกไปไปจิวันกลับมาหรือปกศรัทธาญาโยมที่เป็นศรัทธาใหม่พระมหากษัตริย์ เนี่ก็ไปได้เจ็ดวันสิ่งที่ควรจะอารมณ์นั่นท่านก็ บ, บอกว่ามีก็เพึ่งอารมณ์ตามนี้เดี๋ยวไปแบบสมสี่สมห้าไม่น่าในหลังอยมันดูไม่ได้นะเดีไปนะักสัตตาหาไปเรื่อยไปเรื่อยสัตตาบรูสัตว์ไแล้วไม่ทราบว่าสัตตาอะไรเก่งกวครูกว่อาจารย์ไปมันมีแล้วนะทุกวันปรากฏแล้ว ต, ตั้งแที่เป็นครูเป็นอาจารย์นั่นแหละ เห็นเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นเราที่ว่าผวนภาทราบก็ตามหรือจะว่าคงไปคงมาก็ตามเหตุผลมียังไงทํายังไงเราพูดตามนั้นเลยไม่น่าเลื่อมเราว่าบอกวันไม่น่าเลื่อมใสผิดแล้วว่าผิดเลยเรื่องครูเรื่องอาจารย์ก็เป็นผู้ใหญ่ไม่สําคัญยิ่งกว่าธรรมกวินัยเรื่องหลักธรรมเหวินัยเป็นหลักสําคัญมากทีเดียวเคารพตรงนี้ถึงเคารพเอาสูบันเตก็ตามก็ต้องมี เป็นผู้มีหลักธรรมหลักวินยัยเป็นเครื่องยืนยันพอที่เป็นเอาบุโศภันเตได้โดยสมบูรณ์แล้วควรกราบไหว้บูชาซึ่งกันและ ก, กันพะโลกซึ่งกันและกันก็ยถือในหลักเกณฑ์ของธรรมวินยัยเป็นเหตุเป็นเกณฑ์ไม่ใช่จะมาเอาบูโศบทมาลายๆพรรษาแะว้วบอกเอาบูโศให้กราบให้ไหว้เลยอย่างนั้นไม่ได้ในหลักวินัยยังมียังอายุตั้ง6กสี่พรรษายังต้องมาขอบยิสัยต่อผู้ ต่อผ้าผู้มีภรษาน้อยกว่านั้นนะมัคือไม่สามารถที่จะรักษาตนได้อายุพรษาจึงไม่สําคัญเราค่อยนายนั่นแหละจะมีอะไรกดเกณฑ์คณะสงฆ์ลักษณะปกครองอะไรขึ้นมาทุกวันเนี่ยเพราะเรื่องการอพยพมันพิสดารไปเรื่อยการอพยพของพระของเร น, นเราเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเรื่องกฎกระทรวงเร่งข้อบังคับกฎกติกาอะไร ลักษณะปกครองสงมีมาเพื่อปกครองหลักใดก็ตามแต่ต้องไม่เข้าไปกระทบกระเทือนหรือไม่ทําความเสียหายต่อหลักทาหลักวินยนะัยเนี่ยก็บอกไว้แล้วหลักเหล่านี้ถึงจะมีขึ้นมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ต้องไม่ทําลายหรือไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อหลักพระวินัยเป็นสาคัญทันว่าอย่างบัญญัติหรืออย่างมีกฎเกี่ยวของครับ มีตั้งอุปชาญานีเหมือนกันนะก็ตั้งตามตามเขตตามเขตตามภาคใครอยู่ในเขตไหนอำเภอใดตำบลใดควรจะมีอุปชาเพื่อไม่ลำบากในการอุปสมบทของกุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ตั้งอุปชา ตั้งทางโน้นก็ให้บวชทางโน้นตั้งที่ไหนก็ให้บวชทางโน้นทางโน้นผู้ไม่ได้ตั้งก็ไม่ไม่เป็นอุปชาหมายอย่างนั้นคือผู้ไม่ได้ตั้งเป็นเป็นอุปอชาแล้วก็ไม่เรียกว่าอุปชานี่ความหมายของการตั้งขึ้นเมื่อภายหลังนี้ว่างนันแต่เมื่อมีเหตุจําเป็นที่ควรจะบวชนี่จะบวชนี้จะผิดไหมนี่นี่เป็นปัญหาหนึ่งขึ้นมาเอาพระวินัยผิดไหมพระวินัยว่างไงเนี่ยเอาพระวินัยเป็นเกณฑ์เลยคือพระวินัย พระที่บวชตั้งแต่ศตวรรษปัจจบันไปแล้วสามารถที่จะเป็นอุปชัยยะได้ไงนี่แหละตรงนี้อแหละถ้าสมมติว่าเกิดมีผู้บวชขึ้นมาหรืออย่างผมนี่มีความจําเป็นที่จะบวชกุลบุตรท้าทพู้ใดก็ตามผมบวชขึ้นมานี่สงจะรับรองไหมนี่นี่มันเป็นข้อหนึ่ขึ้นมานะนี่ผมพิจารณาหรืผมพูดออกมาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ใช้ความพิดนิพิจนาหรือได้พิจารณาตามเหตุผลนี้เทียบเทียงกัำหลักทำหลักวินัย ต่างหากนะไม่ใช่ผมจะเป็นผู้ร่วมเกินทำํำยังไงคือพูดตามมันมีหลายแง่หลายทางที่จะถือว่าถ้าเป็นอุปชาไ ด, ได้ตั้งให้เป็นอุปชาแล้วถึงจะบวชได้ถ้าไม่ได้ตั้งเป็นอุปชาแล้วบวชก็เป็นโมฆะอย่างนี้จะเป็นโมฆะจริงๆเหรอหนักเมื่อหลักวินัยมีอยู่นี่หลักวินยัยท่านบอกผู้มีอายุ 10, สิบปันศาลขึ้นไปแล้วและเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยด้วยดีมีสัมมาคาวะมีอาจาระดีเป็นที่เคารพเรื่มใสของพระในนักประชา์ทนแล้ว ผู้นั้นเป็นอุปชาญาได้โดยไม่ต้องตั้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่นี่คือพระวินัยตั้งเองหรือศาสด า, าตั้งเองก็ได้เพราะศาสด า, าเป็นผู้บัญญัติไว้มันมีข้อแม้อยู่อนันหนี่แต่นี้เพื่อเคารพกันเพื่อเคารพที่เป็นอุปชาได้ตั้งแล้วก็ให้บวชกันไปแล้วไม่ไม่ไปไก้าวไก่ไม่ไปดื้อ อ, อะไรหรือว่าไม่ไปไกีดไปขวางหากว่ามีความจําเป็นที่จะทําก็ทําได้ เพราะพระวินัยยืนยันอยู่แล้วองค์ศาสดาเองเป็นผู้ระบัญญัติอย่างนั้นอันนั้นตั้งขึ้นเพื่อหลังตั้งขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับไปไัยไม่ลบล้างพระวินยัยนี่ถ้าสมมติว่าผู้ที่มีอายุพรรษาได้ล่วงสิไปแล้วเป็นผู้ผู้ผปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามหลักตามวินยัยได้เป็นบวชคุณบุตรองค์ใดก็ตามคนใดก็ตามขึ้นมาเป็นพระจะเป็นพระได้ไหมนี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นการลบล้างพระวินัยข้อนี้นี่ ต้องเป็นได้จึงไม่ลบล้างพระวิ น, นัยข้อนี้แต่ท่านไม่ทํากันนัลนเพราะเคารพในกฎนี้ไม่ทํานั่นเฉยไม่ได้หมายถึงว่าจะบวชไม่ได้เลยพระวินัยมีอยู่ทำไมบวชไม่ได้ศา ส, สดาแท้ๆผู้ตั้งผู้บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นพวกคณะสงฆ์เราสุดทัาน์แต่หลังมาตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นความวุ่นวายเกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้พระมันโลภมากเป็นตุกะชาจะ ม, มีตัวข้อยากินจะว่าไง ไม่ใช่อุปชาด้วยความเมตตาสงสารคุณบูสุดท้ายผาหลังไม่ได้ทําด้วยความเมตตาสงสารแต่ผู้ที่ทําด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้หวังโลกโลเลอะไรเลยตาบวชตามหลักพระวินัยทําไม่จะเป็นไปไม่ได้นี่อันนั้นที่เป็นข้อคิดแต่สำหรับเราเองเราแน่ใจว่าได้ทั้งนั้นอืไม่มีใครตั้งก็ตามพระวินัยตั้งแล้วนั่นพระวินัยตั้งแล้วคือศาสดาตั้งแล้วบวชได้แต่ท่านไม่ทําเพราะเขารบในกฎนี้แล้ว กฎนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนีย่ท่านบวชมาเท่าเท่าไหร่แล้วไม่มีไม่ทําความเสียหายมันเป็นก ฎ, ฎเป็นระเบียบอันดีงามซึ่งควรเคารพเล่าจริงเคารพเลื่อยมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจริงเคารพในกฎนี้เลื่อยมาแต่ไม่ถึงกับว่าจะต้องลบล้างพระวินัยข้อนั้นทิ้งไปเลยไม่ให้มีให้มีตั้งแต่ผู้ตั้งปรูปิชาญาณแล้วถึงจะบวชได้ขนาดนั้นไม่เป็น่นนัอะไรพูดข้อคิดให้หน่าสงเราได้คิดแต่ไม่ใช่ให้ไปอุตตรีไปทํานะอืม น่สมท่านตั้งไว้แล้วก็เป็นความสวยงามแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เราทําเป็นเราอันนั้นคือเป็นแง่คิดแห่งพระวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองใ <c oughs> นการเขา้าพรรษาส่วนที่จะทําก่อนก็บินทบาทก็มาทานบินทบาทเป็นวดัดไม่รับสิ่งของที่ติดตามมามาภายหลังมาถวายที่ส่งฉลานี้เข้าในเขตวัดแล้ว <c oughs> ก็ น, นี่มีมาตแต่เช้าก็ต้องทําตั้งแต่เช้าส่วนกนารอธิษฐานอันนี้มาทําตอนเย็นไม่มีอะไรกัดข้องส่วนใะที่จะทําแต่เช้าก็ทําไปเสียนั่งบินธบาติเมื่อเช้านี้เราก็ทําแล้วนะนี่ ม, มีเป็นทุตดวงข้อหนึ่งเป็นเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อดัดความโลภของของเรานั่นแหละดัดพิเลตันหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจัหาความพอดีไม่ได้มีแต่ความหิวความโหย ความโรคโลเลในอาหารในจุตุปัจจัยไตยทานทั้งหลายไม่มีเมืองพอ่อเรื่องของกิเลนนี้เข้าตรงไหนเหยียบย่ําตรงนั้นทําลายตรงนั้นไม่มีคําว่าส่งเสริมสิ่งนั้นๆให้ดีส่งเสริมคนให้ดีมีแต่ทําเท่านั้นเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้ดีส่งเสริมพระให้ดีเพราะฉะนั้นพระผู้ใดองค์ใดเป็นผู้รักเป็นผู้เลื่อมใสเป็นผู้เชื่อมั่นคงในสาสนาธรรมของพระเจ้าผู้นั้นแหละ ทำจะเจริญในป้นณูปุณณ์ละ่ะจะเป็นผู้มีธรรมจะเป็นผู้เจริญยิ่งเรียนี่มันไม่ทําคนให้เจริญนั่นนี่จะทําให้เสื่อมให้เสียทําพระทําป ร, ระชาชนใครก็ตามคุณจะเรียกว่ายิ่งเรียนแล้วไม่มีอะไรที่จะทําคนให้ดีได้เลยมีแต่ทําคนให้เสียลงไปเรื่อยแต่อํานาจของมันมันรุนแรงแล้วมันจึงบังคับให้โลกจํายอมมันนอกจากจํายอมแล้วยังให้สรรเสริญมันย่นย้อมัน เลียแข้งเลียขามันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่พูดตามหลักธรรมชาติเราไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยาโลกเราเกิดในโลกพ่อแม่เราเป็นโลกเราเกิดมาก็เป็นโลกแต่เราได้ออกมาพูดปฏิบัติศาสนาได้พิจารณาค้นคว้าตามหลักตามเกณฑ์ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงอยู่ในหัวใจของเราแต่ละแต่ละรายละหลายและแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความรู้ความเห็นในแง่ใดซึ่งเกิดขึ้นจากการคุยปฏิบัติ ทำไมเราจะพูดไม่ได้ในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติจริงๆแล้วกิเลสจะไม่ให้คุณแก่ผู้ใดพี่แสดงคุณออกมามากกว่าน้อยมีแต่เรื่องของธรรมอย่งนั้นที่แทรกออกมาแฝงออกมาเล็ดลอดออกมาแสดงทั้งๆที่กิเลสมันมีอํานาจแท่งเลิกอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราที่เรียกว่ามีอิทธิพลมากตลอดการสถานที่เวลาเวลานั่นเองตลอดพบปรอดชาติไหนๆกิเลสมีอิทธิพลมากอยู่ตลอดเนี่จึงว่าจําต้องยอมมัน ยอมมันแล้วก็ดอกนั้นยังชมเชยมันอีกโดยไม่รู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าเราชมเชยด้วยเหมือนกับเขาประจบประแจงกันเพื่อนนั้นเพื่อนนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เพียงประจบประแจงนะมันเป็นในหัวใจจริงๆมันคล้อยตามจริงๆมันเชื่อมันยินดีมันเลื่อมใสมันพอใจในวิธีการแห่งการแสดงออกของกิเลสการผลักดันของกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ต่าง มันทําให้สัตว์โลกพอใจได้ทั้งนั้นถ้าลงทําให้สัตว์โลกไม่พอใจแล้วใครจะไปติดมันใครจะใครจะไปเกี่ยวข้องกับมันต้องแยกตัวออกได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่นี่ก็ที่แยกตัวไม่ได้ก็เพราะเล่ากับมันมันป็นหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน้าทางแยกทางแยกไม่ได้เลยนี่นหะเราถึงไม่รู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็ปิดไม่ได้อีกนะเนี่ย นี่นี่ขั้นที่ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เราพูดถึงขั้นไม่รู้ขั้นเรามืดมิดปิดตาถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาปิดใจปิดความคิดทุกด้านออกไม่ให้ออกในเป็นเป็นอัดเป็นธรรมได้เลยให้ออกเป็นกิเลสอาการข้องมันทั้งนั้นทั้งหมดออกเป็นข้องมันเลยแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลย น, นี่เวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นจริงๆใจดวงนี้แหละก็เหมือนอย่างสถานที่นี่แหละเวลานี้มันมืด น, นี่แล้วเหมือนกับมันจะไม่แจ้งแต่ขอให้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดูสิ ความมืดมันหายไปไหนความสว่างมันจ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วที่นี่อะไรสิ่งสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ยางไงมันก็เห็นหมดนั่นแหละเมื่อความสว่างมีขึ้นแล้วนนี่เรื่องกิเลสก็คือความมีความจริงของมันประเภทหนึ่งมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยางไงเมื่อปัญญาได้สว่างจ้าขึ้นม า, านจในจิตใจมันก็มองเห็นเป็นดวงหลับตํานาแล้วมองเห็นหมดทะลุ ป, ปูโปร่งไปหมดท่านนี้ว่านัตถีปัญญาสมาอาภาแสางสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีก็คือผู้ปฏิบัติ นี่หลายครั้งหลายผลปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าซ้ำซๆำซักซขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมสติปัญญาอยู่โดยสม่ามมําเสมอแล้วสุดท้ายมันก็สว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาแล้วเวลาเข้าสุดสุดท้ายประเดนจริงๆสว่างเจ้าขึ้นหมดรอบตัวเลยที่เด็ดตัวไหนจะมาหลอกได้ที่นี่มันไม่มีอะไรที่จะมาหลอกได้เพราะปัญญาเหนือแล้วมองเห็นตัวมันแล้วตั้ตัวไหนเป็นพิษจะไปว่ามันเป็น คุณได้ยังไงก็เห็นธรรมชาตอยู่ด้วยปัญญานี่แล้วก็สลัดกันปัดกันออกหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะรู้ทีนี้มันอกมันออกมาในแง่ใดกิเลสทําไมจะไม่รู้แต่ก่อนนั้นไม่รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้ปิดไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องของกิเลสมันแทรกมันแสงมันมีอํานาจมีบทบาทมากทีเดียวภายใน จ, ใจิตใจจะทําอะไรก็ตามธรรมชาติอันนี้จะต้องแฝงเข้าไปี่สอดแทรกเข้าไป ือสวมรอยเข้าไปไม่ให้เรารู้สึกเลยทีเดียวแล้วภูมิใจด้วยนะในกิจการมการทําของตนเองแล้ภูมิใจโดยไม่รู้สึกตัวว่ากิเลสแทรกเข้าไปให้ภูมิใจไม่รู้เลยเมื่อถึงขั้นมันรู้นั่นแหละเ <c oughs> มื่อรู้มันหมดแล้วนั่นยิ่งชักเกดเจนทีนี้ <c oughs> มันจะมาเล่ไหนเหลี่ยมไหนคมไหนอุบายใด ม, มันรู้ไปหมดตั้งแต่เพียงกระดิกขึ้นมามันก็รู้แล้ว ก็ดีออกมาจากแง่ใดมุมใดของกิจเดียรของผู้ใดมันก็หลูส่วนในของจิต ด, ดวงที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมันจะ อ, อะไรมาแสดงมันหมดจึงเรียกว่าหมดจะให้โกรธขนาดไหนมันก็โกรธไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะมาให้โกรธเนี่ยจะให้หลงเนี่ยมันก็หลงได้ไงก็รู้ๆอยู่นี่จะเอาอะไรมาหลงนี่แหละที่นี่บอกมันหมดไม่อย่างั้นทำไมเรียกว่าหมด <c oughs> ค้นหาอะไรมันก็ไม่เจอค้นก็รู้ว่าค้นเสียเนี่ย จะค้นหาอะไรของไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแล้วไปค้นหาทําไมเนี่ยก็รู้เสีย <c oughs> เวลามันมีไม่ได้คน้นมันก็มีเวลามันมีค้นไปค้นไปคนมาไม่เจอก็มันก็เจอเนี่ย <c oughs> ถ้ามันไม่มีแล้วไม่มีค้นเท่าไหร่ก็ไม่มีแล้วรู้ด้วยว่าคน้น <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วอย่า <c oughs> ไปหลงอะไรเนี่ยถึงขั้นถึงภูมิที่มันรู้มันเป็นอย่างนั้นจิต <c oughs> ด, ดวงที่ว่านี่แหละดวงเนี้ยเป็นตัวยืนยัน เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องเกิดเรื่องตายไม่มีตัวใดกิเลสจึงเป็นตัวพบตัวชาติมันแทรกมันสิงอยู่ในจิต ด, ดวงนี้เท่านั้นไม่แทรกไม่สิงอยู่ในอันใดเลยในวัตถุเต็มโลกธาตุนี้ไม่มีจิตจะไปแทรกอยู่กับอันไหนโอ้กิเลสไปแทรกกับอันไหนแทรกอยู่กับจิตแล้วพาให้จิตนี้แหละเข้าไปสู่พบน้อยพบใหญ่ร่างนั้นร่างนี้เนี้ยสูงสูงต่ำต่แล้ว ม, มุ้มดอนดอนเพราะมีบาแห่งกรรมที่อํานาจของกิเลสและอํานาจของธรรม ต่างอันต่างยิวแยงแข่งดีกันทํางานภายในหัวใจของของเราหรืของสัตว์โลกนะกิเลสมันมีอนานาจมากกว่ามันก็พาทําทสัตว์มันก็พาสัตว์โลกให้ทําชั่วมากมีทำอยู่ภายในแทรกอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนั้นถึงกิเลสจะมีก็ตามทำก็มีอํนานาจมีโอกาสที่จะแทรกทําความดีสําหรับตนนั่นแหละผลจึงปรากฏขึ้นสูงสู ง, ส ง, ส ง, สงต่ําๆำมาดีบ้างชั่วบ้างเออสุขบ้างทุกข์บ้าง พบสูงพบต่ำบ้างนี่พบนั่นพบนี้ ย, ย้ยายพบย้ายภูมิไปจุดที่นั่นที่นี่หาความแน่นอนไม่ได้ก็เพราะวาระแห่งกรรมที่เราทํานี่ทําด้วยความไม่มีกฎมีเกณฑ์แล้วมันจะหาความแน่นอนได้ย่งไรเมื่อมันปรากฏขึ้นมามันก็เป็นลักษณะของเหตุที่ทําหาความหากฎเกณฑ์ไม่ได้นั่นแหละจ็ <c oughs> <c oughs> เป็นไปตามวาระของกรรมความดีมันก็มีถึงวาระทําดีมันก็ทํา ถึงเวละทําชั่วมันก็ทําผลของความชั่วความดีจึงผัดเปลี่ยนกันให้ผลเรื่อยมาในจิตดวงเดียวกันนั้นนี่เป็นข้อยืนยันนี่เป็นความจริงร้อยเปซนในจิตดวงแต่ละดวงละดวงนี้ไม่มีบ้างแห่งการเกิดตายมีทางเดินอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเกิดตายเกิดตายเรื่อยสูงต่ําสูงต่ำนั้นมันเป็นเงาเป็นเป็นเงาเทียมตัวไปแล้วนะสูงต่ําสูงต่ำทวีบากเป็นเงาแฝงอยู่ในจิตนั้น วิบาก ค, คือดีชั่วมันแสงพาให้สัตว์ทลายเกิด <c oughs> พื้นแน่นอนที่สุดคือว่าเชื้อไดเกะอวิชาปัจจญาสั้งขลัตัวเชื้อนี่แหละฝังพาให้เกิดนี่เป็นพื้นฐานเลยอันนี้แล้วเกิดเกิดเป็นอะไรบ้างนี่เกี่ยวกับเรื่องวิบากดีชั่วพาให้เป็นไปเป็นไปสัตว์แต่ละดินแานแต่และดวงละดวงจึงไม่ว่างจากความเกิดจึงไม่ได้อยู่เป็นสุขโดยอัตโนมัติโดยอิสระเลยมีอย่างนั้นโดยกันหมด ใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้และจะเป็นต่อไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันอ๋อประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเข้าไปทําลายคืออะไรคือทำนั่นละ่ะทำเป็นสิ่งที่จะทําลายภพธรรมชาติทําลายชั่วให้ดีทําลายสุขให้เป็นทุกข์ให้ทําลายทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นมาเรื่อยๆื่อยๆเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันไปเพราะอํานาจแห่งความดีนี้เท่านั้นไม่ใช่พรอำนาจแห่งความชั่วความชั่วจะไม่เปลี่ยนชั่ว เพื่อเพื่อความทุกข์ความทรมานโดยยิ่งท่านเดียวไม่ว่างเรื่องจิตไม่ว่างเอาคําพูดอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยืดเข้าไปในะหัวใจแล้วให้ปฏิบัติจิต ด, ดวงนี้เอาเริ่มตั้งแต่ล้มลุกคุกคานอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความสงบนี่เป็นยังไงเปลี่ยนสภาพของตัวอย่างไรบ้างท่านว่าจิตําเป็นสมาธิจิตมีความสงบจิตเยือกเยน็นจิตไม่วุ่นวายจิตสบายเป็นยังไงท่านเขียนไม่อยู่ในปริยัติ เขียนไม้ในชื่อในตำรับตำลาแล้วความจริงจะมาอยู่กับอะไรมาอยู่กับจิตเพราะมาอยู่กับผู้ปฏิบัตินี้ก่อนผู้ปฏิบัติเหตุเป็นยังไงปฏิบัติเพื่อจิตเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจ้องปฏิบัติมันต้องปรากฏที่จิตมีความสงบที่ใจเย็นที่ใจสบายที่ใจนี่เราเห็นแล้วดิเห็นที่ใจนี่แหละมันเห็นชัดเจนแจม่มแจ้งยิ่งกว่าเห็นด้วยตาได้ยินดึงเป็นไหนไหนอันนี้แจ้งมากทีเดียวชัดมาก ตาใจเนพิสดารมากนะตาหูจมูกดิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ตามวิสัยของตนของตนของต น, ของตนเท่านั้นไม่เลยวิสัยไปได้เลยตามีวิสัยที่จะดูก็ให้เห็นตั้งแต่รูปอืมสีแสงต่างๆหูมีเป็นวิสัยที่จะทราบเสียงก็มีเท่านั้นไม่เลยจะเกาะเขียนนี้เลยดังนี้เป็นต้นนะตาหูจมูกดิ้นกายนะมันมีหน้าที่รับสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตามหน้าที่ของตนของนท่านจึงว่า อินทรียอย่างอินเดียอความเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินเป็นต้นนี่นะท่านว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่อินทรีย์อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แต่ละอย่างละอย่างไม่ก้าวไกลกันหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของตัวเช่นสัมพันสัมพันธ์ก็กายรู้นี่แต่มันได้เคียงแค่นั้นไม่พิจารณาเหมือนจิตจิตนี่พิจารณามากที่เดียวสิ่งที่เห็นตาไม่เห็นจิตเห็นได้นั่นหูไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินใจได้ยิน นี่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมจิตสัมผัสสัมผัสัมพั ส, ดสดได้ทั้งนั้นนั่นฟังสิกว้างแค่ขนาดไหนไม่มีประมาณเลยเนี่ยขอให้ฝึกทรมานได้เป็นอย่างนี้ที น, นี้ไอ้ท่าน ท, ที่ว่าเรื่องเกิดเรื่องตายพบน้อยพบใหญ่ของจิตแต่และดวงละดวงเต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิต ด, ดวงใดที่ว่างจากความไม่เกิดไม่ตายนี่เลยนั่นเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้โดยจิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์กัน พระจิตเหล่านั้นเหมือนกันกันกบกิต ด, ดวงนี้ดวงของเราที่เป็นอยู่เวลานี้เวลามีกิเลสมันก็มีอย่างเดียวกันอยู่หมดเวลานี้เราพูดถึงเรื่องเวลามันมีกิเลสอยู่ในภายในใจมันเป็นอย่างนี้เอาที่นี้ชําระกิเลสที่เข้าไปชําระเข้าไปชําระเข้าไปเริ่มตั้งแต่ว่าจิตสงบจิตเยน็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นแล้วทีนี้นะอุบายวิธีนี้ไม่มีใครสอนนะในโลกนี้สอนไม่ได้สอนไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนนี่ศาสนาธรรมนี่เป็นธรรมของพระองค์เจ้าที่พระองค์ค้นพบพระองค์เดียวเท่านั้น ไม่ได้วิชามาจากใดไม่จากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะท่านท่านถึงปฏิเสธถึงเรื่องว่าดาบททั้งสองที่ว่าเป็นครูท่านไปสอนท่านนี่สอนวิธีอุบายต่างๆให้ท่านนี้ไม่ใช่วิธีบุรพ้นจากทุกไม่ใช่วิธีบุรพ้นจากเหตุอาสวัตบริโภการทั้งปวงแต่เป็นวิธีของทิ่เลือยู่โดยดีที่จะสืบพบสืบชาติอยู่ท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นครูของท่านเวลาท่านดําเนินโดยลําพังพระองค์เองไม่ได้ถามใครเลย พิจนากำหนดอนาปาณสตินี้เอาเข้ามาจนยอดตรงนี้เลยอนาปานสตินี่ใครสอนนี่ฟังสีไม่มีใครสอนไม่ปรากฏว่ามีครูไหนสอนท่านกำหนดอนาปาณ ส, าสาาาาติลมเข้าลมออกโดยลําดับลําดานี่จีก็ค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปอนาปาณสติกําหนดลมเข้าลมออกแล้วก็ปฐมยานเป็นยังไงปฐมยามที่ว่าท่านบรรลุยานสามนั่น นั่นเริ่มแล้วนะนั่นใครไปบอกท่านถึงรู้ได้บุเพนิวาสานุติยานนั่นทรงเลึกชาติย้อนหลังได้จีภพจี่ชาติสามารถทั้งนั้นนั่นฟังสิแต่ก่อนท่านท่านสามารถไหมแล้วมีใครมาสอนท่านให้หรือเป็นบุเพนิวาสานุติยานเลือกสานุติยานและลืกชาติถอยหลังได้มีอาจารย์ไหนในขณะที่ท่านทรงบําเพ็ญท่านไปนศึกษากับอาจารย์ไหนไม่ปรากฏว่าได้ศึกษาจากจาก อาจารย์ใดผู้ใดหรืสี ต, ตนใดแต่มาปรากฏขึ้นในขณะคืนของวันเดือนหกเพนที่ทรงบำเพ็ญหรือทรงเจริญอนาปานสติอนาปานสตินี้เท่านั้นนี่พอจิตเริ่มละเอียดเข้าไปเรียละเอียดเข้าไปสามารถแทงทะลุไปได้ในปุเพนิวาสารนิจจานเรื่องชาติถอยหลังได้ชาติถอยหลังนี้แต่ก่อนพระองค์ก็เป็นนักเกิดนักตายมาแล้วไม่รู้กี่พกี่ชาติแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้นี่ฟังยิ แล้ววันนั้นทํำไมถึงรู้ได้ก็เพราะมันเปิดหูเปิดตาพาภายในจิตใจของพระองค์ให้ย้อนหลังไปตามถูกความจริงเช่นเดียวกับที่นี่มืดๆนีม่มองอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เห็นเนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็นเวลานี้ละ่ะให้มันสว่างขึ้นมาที่มันจะเห็นหมดอถ้าทิจจ้าขึ้นมาแล้วมันเห็นหมดอะไรที่มีอยู่เป็นอยู่ตามแถวที่เรามองเห็นนี่นั่นละ่ะปุเพียรนิวนันสารวิทยานก็เหมือนกันยานอย่างทราบคือปัญญา อย่างทราบความเป็นมาของพระองค์ตอลอดทั่วถึงไปหมดนั่นปุเพนิวา ส, สานิจารในปฐมมัยามมัชชิมามยามก็จตุปาตยานที่นี่บรนลุจตุปาตยานทรงแทงทะลุความเกิดความตายของสัตว์สัตว์ตัวนี้สัตว์รายนี้เกิดจากที่นี่แล้วไปตายจากที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมักเกิดที่นี่สูงสูงต่ําๆำลุ่มลุ่มนโนหาความสม่ําเสมอไม่ได้เพรา ะ, ะาอำนาจของแหงกรรมนี่ที่เนี่ว่าจตุปาทยานจตุปาตยาน คือความเคลื่อนความความเกิดความตายนั้นพูดง่ายๆของจัดมีอยู่นี้เต็มโลกเต็มตมื้สารไม่ว่าพบใดภูมิใดาหรือว่าชั้นใหนเช่นกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ถนัดสามแดนโลกธาตุนี่สามพบสามแดนนี่มีอยู่ทุกดวงดวงิญญาณมีอยู่ทุกพบทุกชาติเกิดตาอยู่ทุกแห่งทุกหนหากําหนดหาเวลาเวลาหาจสถานที่กว้างแคบไม่ได้เต็มไปเลยทั้งสามแดนโลกธาตุ พระ อ, องคทรงรู้แทงทะลุไปได้หมดอ๋อ oh, เป็นอย่างนี้อย่าง น, นี้นี่สถานตอนนี้เป็นสถานที่เกิดที่ตายมิตรที่เกิดที่ตายไม่มีอะไรปเสริฐเลยมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเต็มไปหมดนะว่าดวงบินยาณดวงใดมิตรเกิดกับตายเกิดกับตายนี่แหละเห็นอย่างนี้เองนี่เห็นความจริงเห็นอย่างนี้จะไม่เห็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆปัญญาสิ่งเข้าไปมันมองเห็นชัดเจนอย่างนี้อ๋อ oh, มันเป็นอย่างนี้ตะกอนไม่เห็นนี่เหมือนอย่างเวลานี้มืดมืดมันไม่เห็นนี่ทาราหลังนี้มีอะไรอะไรอยู่นี่มันก็ไม่เห็นจนกระทั่งงงมมัันนนนสว่าาาขึ้ตอกล ถาทิโพโขขึ้นมามันก็เห็นหมดอะไรอยู่นี่มันเห็นหมดแน่นี่กเสมือนกันปัญญาอย่างทราบขึ้นมามันก็เห็นหมดิดดวงวิญญาณของสัตว์โลกไม่มีประมาณก็รู้ไม่มีประมาณเท่ากันอีกนี่เรียกว่าจตุปัตยานที่ทรงบรรลุหรือทรงอยุ้แจ้งแทงทะลุในมัตถิมหายนี่ออกจากอนาปานสติที่ลมละเอียดมากสติปัญญาอย่างทราบอย่างละเอียดสุขขุมมากทีเดียว นี่เป็นญาณหัวใจเจ้าปัญญาของมูลเดียเจ้าภูมิของศาสดาเป็นอย่างนี้เวลาลูกมาผิดภูมิทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวพอชุดท้าจวนจ ะ, ะอะจะสว่างก็บรรลุถึงอาสวะขย้ยานสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงภายในพระไถยไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ล้วน้ๆซึ่งไม่เคยมีเคยเป็นมาเลยและไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดเลย นี่ทรงขุดค้นในจตุปนั่นน่ะที่เรียกว่าปัญญาการขุดค้นอยู่ในนั่นน่ะอยู่อยู่ในอนาปานสติแต่นี่ผมจะไม่อธิบายให้มากไปยิ่งกว่านี้มันจะเวลาจะไม่เพียงพอถึงความละเอียดลออของจิตที่พิจารณาอนาปานสติเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ขณะสมถะวิปัสสน์ตั้งแต่สมถะคือความสงบสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปยาน ไปด้วยกันอย่างทราบไปด้วยกันในขณะที่จิบละเอียดไม่ละเอียดอยู่เฉยๆนะเออละเอียดอย่างทราบเป็นญาณไปเลยเป็นญานไปเลย เ, ยาเลยสามารถอย่างทราบไปถึงบุพเพนิวารสารยานอย่างทราบไปด้วยไปถึงเจตุปะตปะปเจตุเจตุปาทะยานอย่างทราบทะลุไปถึงอาสวัคคายานมีตั้งแต่เรื่องของปัญญายานปัญญ า, านัางที่ท่านว่าญาณอุตปาณิปัญญาอุตปาลวิชาวตตปา โลกโกดปาเนมีเมตั้งแต่เรื่องปัญญายาณที่ละเอียดแหลมคมทั้งนั้นสามารถแทงทะลุในสิ่งนี้ไปด้วยอํานาจแห่งอนาปารสติของพระ อ, องค์นี่นี่หละอย่างทราบอย่างนี้แหละนี่ภาคปฏิบัติพระองค์ดูโลกดูอย่างนี้รู้โลกรู้อย่างนี้ไม่ใช่เอาสุมสี่สุมห้ามาดลนลดาว ด, น ด, นดนมาสอนพวกเรานะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนานออกมาจากความดลดาวออกมาจากของแท้ของจริงค้นมาจากหลักธรรมชาติจริงๆมันจะมาเสกสรรญยอกัอนขึ้นเลยทรงทราบทรงเห็น ทรงรู้ตามสิ่งที่มีอยู่จริงจ้งกระทั่งถึงอาสวะขยายานแทงทะลุไปหมดโดยลําพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามผูสยามผูทรงรู้เองเห็นเองนั่นแปลออกสยามผูสยามผูในโลกวิถีนั่นก็คือแจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกนอกไปขนาดไหนกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณพระญาณของพระองค์ก็ไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันหมดทันกันในโลกในในธาตุในขันในพระจิต ในติจิเลตตัญหาทราบหมดแทงทะลุหมดพังทลายให้มันชิบหายตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี้เป็นของละเอียดแหลมคมมากทีเดียวนะอ้าวเราพิจารณาเรื่องจิตตภาวนาดังที่กล่าวมานี่สชทถ้าไม่รู้แบบศา ส, สดาทุกกระเบียกก็ตามเถอะเรื่องสั ส, สิทธมีครูนี่ไม่ต้องสงสัยครูรู้ยังไงลูกศิษย์จะรู้ตามรอยอองค์ไปนั่นแหละ응 ไม่กว้างเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้เงื่อนที่แน่นอนที่สุดภายในจิตใจไม่ได้มากเต็มเรือเต็มลำเรือมันจะได้ขนาดไหนลำเรือมันก็รู้ว่าอยู่ในลำเรือของเรามีสมบัติอะไรบ้างนั่นเป็นข้อยืนยันได้ไหมายว่าเรือนี้ไม่ใช่เรือว่างเปล่าเฉยๆเรือโมคฆะใจนี้ไม่ใช่ใจว่างเปล่าเฉยๆว่างเปล่าจากกิเลสแล้วไม่แล้วยังยังเต็มไปได้วยคุณธรรมเต็มภูมิของเราทําไมจะไม่รู้ทําไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่นี่แหละการพิสูจน์พบชาติ ในาศาสนธรรมของพระเจ้าที่เรียกศาสนาพุทธาศาสนาพุทธนี่ยอมกราบสนิทเลยเราข้าเจ้าบ้าก็ตามเธอเราเนี่ขอกราบสนิทตายด้วยอย่างสนิทเลยถ้าอย่างอื่นเราไม่เล่นด้วยเลยนี่าศาสนาพุทธเจ้าเห็นตรงนี้แหละเห็นกันตรงนี้แหละย่อๆออกมาอนาปานสติเนี่ยนนักภาวนารวมจะเป็นภาวนาแบบใดบทใดก็ตามขอให้มันถูกไปตามจังหวะแห่งธรรมที่กล่าวนี้เถิดมันจะเป็นเหมือนกับอนาปานสตินี่เลยจะเป็นพุโทโธธรมโมสังโฆก็ตามรวมลงไปแล้วจะเป็นเหมือนกัน จิตจะสงบอย่างเดียวกันแล้วมีความละเอียดละออไปโดยลำหนับลําดาเหมือนกันจนกระทั่งถึงแทงทะลุไปหมดเอาที่นี้มันเป็นยังไงไอนน้ที่ว่ากิเลสมันพาสัตว์ให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายเกิดได้ตายไม่มีเวลาว่างเลยที่ว่าจิตตุปาติจิตตุปัตปยานพระองค์อย่างทราบถึงเรื่องความเกิดความตายทั้ ง, างสามอยู่ตลอดอย่างทราบยังไงมันก็เป็นอยู่ในนี้นี่ชัดตามเป็นจริงนี่เลยนี่ ดังทราบมาแล้วเจ้าของหมดเชื่อว่ที่จะพาให้เกิดอีกให้มีนี่แหละการพิสูจน์เรื่องพบเรื่องชาติของจิตแต่ละดวงดวงพิสูจน์ในการปฏิบัติของเราเนี่ยธรรมะของพระเจ้านี่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเยี่ยมที่สุดในการพิสูจน์เชื้อของจิตที่พาให้เกิด เชื้อคองใจที่พายให้เกิดนั่นเนาะปัจจัยการท่านว่าปัจจัยการปัจจัยการปัจยการพนัเกลียวพวกอวิชชาเนี่ยอวิชชาปัญญาสร้างข้าลาถ้าให้มันเต็มจริงๆนะอวิชชาปัจญาสร้างขา้าลนะอวิชาาาาาวชาปัญายาวิญญาณนั่นี่แหละต่อย้ำกัอนอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วไปนู้นไปนูน่นไปนูน้นนั่นนะอ เวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วหักธรรมชาติอวิชาปัญญาสร้างคาราอวิชาปาัญญาบินญาณังอวิชาปาัญญานามาลู ป, ปังย่ำกันตรงนี้ย่ำกันตรงนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่ทําให้เกิดนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครคือจิตตรงนี้คือคืออวิชาตรงนี้คืออวิชาตรงนี้ย่ากันลงย่ากันนี่แหละอวิชาถึงตายได้ใช้ไปตามไปตามไปอยู่ต น, นั้นแล้วเท่านั้นไม่มีทางอวิชาจะชิบหายจะตายได้เลนยทำลายอวิชาไม่ได้ถ้าถึงจิตมันขั้นที่มันจะย่ากันมันเป็นอย่างนั้นนย่นะอวิชาปัญญาสรางคา นี่ตัวอวิชชาในแหละตัวสําคัญเป็นเครื่องหนุนให้เกิดสังขารอวิชชาปัญญาวิญญาณนั้นก้อนี้เนี่ยมันมันให้เกิดวิญญาณนี่แล้วมันใค้เกิดอันนั้นนี่แล้มันเกิดเอันนั่นโทษของมันก็รวมอยู่นี้หมดเลยเพอรวมมันี้มันก็ฟาดกันลงตรงนี้ขาดตบ้านหมดแล้วอะไรที่นี่มันจะไปต่อเนื่องอะไรเหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งลากแก้วลากฝอยจริงกานสาขาดอกใบมันเขียวจะอุ้มอยู่ก็ตามเถอะถอนพวดมันขึ้นมาหมดแล้วไม่ต้องไปหานับมันว่า อนั่นตายเวลานั้นนี่ตายเวลานี้นี่ที่เราอวิชญาปัญาสร้างขลาตัคือถอนนั่นขึ้นมาแล้วกิ่งนั่นก็จะตายใบนี้ก็จะตายทั้งข้าหมายทั้ไม่ย่งนั้นเออดอกมันก็จะตายอนั้นมันก็จะตายนี่ก็จะตายจะตายเมื่อไหร่กระชามันเถื่อหรือไม่ตายช่างมันเถื่อถอนพูดออกมามันหมดเลยไม่ตัวนั้นอ้าวเอาไปทิ้งไม่ต้องไปนับมันแหละมันจะตายพร้อมกันหรือมันจะตายหน้าหลังก่อนกันอะไรก็ไปดูออกมันตายมันไม่มีพ้นไปได้ละนั่นนี่ก็เหมือนกันเรื่องอวิชญาปัญาสร้างขลา เราพนันท่านเล่าเรื่องอวิชาปัจญาสังขารเล่าเรื่องเฉยๆไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้อวิชาปัญญาตั้งขลัอวิชาอวิชาปัญญาดินญาณังคือย่ากันลงย่ากันลงเห็นโทษกันโดยลำดับลำดานแน่นลงเน่นไปเหมือนตีหัวตะปูย่ำหัวสปูนี่พังลงไปเลยอวิชาเนี่ทีนี้เมื่ออวิชาพังแล้วกินตรงนี้เป็นยังไงที่นี่แต่ก่อนอวิชามีมันเป็นอย่างไนมันพาให้เกิดให้ตายนนอะไรพาให้เกิดก็รู้แล้วว่าคืออวิชาอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอทีนี้พอ อวิชชาพังไปหมดแล้วจิดตดวงนี้ไปยังไงเป็นยังไงที่นี่คิดหายไหมนี่สว่างกระจ่างแจ้งยังไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอิสระเสรีเต็มที่เต็มภูมิของตนเองนี่แหละคือจิต ด, ดวงนี้ยึดนองนั้นไม่มีที่จะจะอยู่เฉ ย, เฉยโดยลําพังได้นี่ถูกเตะเหมือนฟุตบอลนั่นแหละอวิชชาปัญญาสร้างคาราเตะไปสร้างคาราปรัจจายาวิญญาณังเตะไปเตะไปเตะไปเ ต, ตะไปตลอดหาที่สิ้นสุดดิมุตบุญพ้นไม่ได้เลยถ้าถ้าลงเราเตะย้อนหลังกลับมาอาวิชชา ปัญญาตัางคณะอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชานำรู ป, ปังเรื่อยย่ําย่ำเขานี้ยําำตรงนี้แล้วตายชิบหายพอชิบหายแล้วที่นี้สว่างจ้าเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นพบุรุษหักศูนย์หมายจิต ด, ดวงนี้ศูนย์อะไรวิเศษอะไรเกินจิตดวงนี้ว่านั่นคิดว่านิพพานังปราังสุขของนิพพานังปรารมสูอย่างอะไรจะไปวิเศษที่โศยิ่งกว่านี้อะไรที่จะไปศูญสิส้น กิเลสปัญหาอาสวะที่เป็นภัยทั้งหลายยิ่งกว่าจิต ด, ดวงนี้วะนั่นที่นี่หมดเหย่อท่าว่าเป็นอิสระที่เนี่คิดดวงนี้แหละดวงพ้นจากกิเลสทุกประเภทตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่แหละตัวตัวอิสระนอกนั้นไม่มีเลยจะ ก, กิดใดก็ตามสัตว์ตัวใดก็ตามตั้งแต่พรหมโลกลงมานี้หาความเป็นอิสระไม่ได้ต้องหมุนไปตามอำนาจของกิเลสอยู่โดยดี จนกระทั่งว่าคิเลศมันสิ้นไปหมดแล้วอละหมดที่นี่คําว่าหมุนเป็นอิสระเต็มที่อิสระเต็มตัวนอกสมมุติไปแล้วสมมุติคือตัวกดขี่กันนั่นเนี่ยจะเป็นอะไรไปมันกดขี่บังคับขับใช้กันอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวสมมุติวิมุตต์หลุดพ้นจากนี้แล้วจะอะไรมาขับขี่บังคับจะมากดขี่กันมาบีบบังคับกันไม่มีนะมันก็รู้อยู่ในหวัวใจตรงนี้เองตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้ เวลามันล้มลุกคล า, านก็รู้อยู่ในล้มลุกคล า, านจกนกระทั่งพ้นจากล้มลุกคลานรู้ไปโดยลำดับน จ, จกนกระทั่งถึงพน้นวิสัยทุกอย่างอยู่อยางนีซึ่งซึ่งถือว่าเป็นสมมุรณ์แล้วไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นเป็นอิสระเต็มที่ของตัวเองนั่นการสถานที่ไปเวลามีที่ไหนความหวังอะไรที่นี่มันหมดนั่นแหละท่านถึงบอกว่านี่พานังตระบางสุ ข, ขังสุ ข, ขังสุ ข, ขังมันสุขไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายสูุกันเนอะ ถ้าถ้าสุกเหมือนต่างโลกจะเอาอะไรมาอัจจันท์อะไรมาแปลกประหลาดมันก็เหมือนโลกเขาเหมือนเราเราเหมือนเขานี่มีอะไรผิดแปลกกันอันนี้ไม่เหมือนใครนี่ไม่มีใครเหมือนอันนี้นี่ว่าไงเพราะอนนี้พานังปรามังสุ ข, ขังปรามังปรามังเยี่ยมเลยเที่ยวไม่มีอะไรสู้เลยดัยงใจประพุทธปฏิบัติเนี่ยฐานะธรรมของพระเจ้านี่เป็นมชัชฌิมาตลอดเวลาตลอดการสถานที่ เหมาะอยู่ตลอดที่จะนํามาปราบกิเลสประเภทใดที่ก็ตามที่มันเป็นข้าศิกต่อจิตใ จ, ใจเราอยู่เรื่อยมานั้นมันจะที่หายไปด้วยอํานาจแห่งธรรมศัทธาธรรมริธรรมวิิ ธ, ธรรมสติ ธ, ธรร ม, ธธรรมปัญญาธรรมอุตสาหธรรมพิจารณาลงไปให้เหมาะกับจังหวะจังหวะนํามาใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะเรื่องของสิ่งปราโลมตกเปรตทั้งหลายมันอยู่ภายในใจิตใจนี้มันจะพังออไปจนได้ครับไม่มีอะไรจะทนต่อทำนี้ได้ได้เลย นี่เราพูดถึงหนึ่งสัพพัญยูสยามภูสัพพัญยูคือรู้ทำทั้งทั้งกวงสยามภูลู่จงรู้เองเห็นเองไม่มีใครสอนอย่างนี้แหละทีนี้เวลาย้อนขอมาหาตสาวกแต่ลกองค์ก็เป็นค่ายคืกับผู้ทีเจ้านั่นแหละพอ้ยเจ้ า, เ, จาเป็นผูพ้พวเนี้เป็นผู้เพียงบอกในแง่ต่างๆเช่นอย่างท่นว่าตุ้มเฮหิจังอาตะปังฟังดูตุ้มเฮหกิจังอาตะปังคำเพียงเป็นหน้าที่หน้าสงหลายทําเองนั่นฟัง อาขาตาโลตถากตาพระพุทธเจ้าท่านนนเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่า น, านั้นพอชี้บอกให้เราเป็นผู้ดําเนินงานอา้าวถูกดิบทุก ป, ป, ป, ประการใดเราจะรู้เองในการประกอบงานของเราหรือในการรบเราจะรู้เองกับค่าสุกนั้นเมื่อรู้เองขึ้นมาแล้วก็เป็นสันติทีโกสันติโกขึ้นภายในตัวภายใตัวภัยตัวนี่แหละเป็นสมบัติของเราแท้ที่นี้ส่ว น, นความจําที่เราได้มาจากครูจากอาจารย์จากปริญญาที่เราทุกข์ขาวเรียนมานั่นเป็นเครื่องมือหนึ่ง เป็นคูนหมายพาดทางที่เราจะได้ดําเนินไปพอดําเนินไปแล้วดําเนินไปแล้วไปเจอตามความจริงที่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ทั้งหลายเป็นลําดับลําดาจนกระทั่งทะลุปุป่งไปหมดก็เป็นสันติโกของเราเป็นสมบัติของเราแท้มีเท่านั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัตินะปีนี้มากกว่าทุกปีนะมากจริงๆปีนี้ผมก็ไม่เคยรับการเน้นถึงขนาดนี้นี่ก็เพราะความปุม๊บในตาต้องจานั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรไปถูถ้ยกันไปอย่างนี้แหละ นล้อยู่ด้วยกันให้เป็นผ้าสุขอย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นคนนั่นดีกว่าคนนี้เราเก่งกว่าเพื่อนเพื่อนสู้เราม่ได้หรือเพื่อนเก่งกว่าเราอะไรที่ดูถูกอยาย้ยซึ่งกันและกันอันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล น, นะอย่าเอามาใช้นะอืมต้องบางตัวอยู่ในธรรมทั้งหลายให้ด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่หลักใหญ่มองกันในแง่เหตุผลหนึ่งมองกันในแง่งความให้อภัยซึ่งกันและกัน นี่เป็นหลังใหญ่ของการอยู่ด้วยกันใครผิดใครถูกประการใดพูดให้พูดกันได้โดยเหตุโดยผลโดยอัดโดยทำอย่าใช้ทิฏฐิมานะอย่านําทิฏฐิมานะมาใช้กันนั่นเป็นเรื่องของกิเลส จ, จะมาตีตลาดทำทั้งหลายให้แตกกระจายไปหมดเลยหาความผาสุกไม่ได้จามมาไว้ให้ถึงใจกิเลสนี่ละเอียดมากนะคอยแทรกเสมออืและแทรกทํานองตอนว่าเก่งว่าดีนั่นละตัวกิเลสแตม่มันชอบทนองตัวนั้นแ่ะถ้าทําแล้วไม่ทนองไม่มี จะเสียงแผลดกนานไหมก็ตามพอเหตุผลเข้ากันปั๊บหยุดทันทีทําเป็นอย่างนั้นเพราะหาความจริงทํานิเรศมันไม่ได้หาความจริงมันหาแต่ความปลอมเท่านั้นจึงหาที่ยุติไม่ได้เนี่ยเรื่องความปลอมมันจะยุติได้ยังไงถ้าความจริงจะยุติเราบินตธบายก็ให้ช้ากว่าปกติไป13นาทีตา ม, มาตามระยะของ นาฬิกาเมัอนจำรองชเช้ า, ช า, าก็ไปเช้าก็ไปก็ตามระยะหนึงเพื่อให้ปุ๊มากผู้อยู่ไกลก็ให้เดิทันเป็นอุดร อ, อยู่ที่ไหนๆก็ทันไปเชา้าไปสายกว่าแบบธรรมดาการบินท บ, บาทเป็นวัดคืออย่างไรนถ้านถือบินท บ, บาทเป็นวัดคืออะไรเดินไปก็ให้เดินจงกรมไปเลยนะถือเป็นวัดไม่ขาดถ้ายังฉันอยู่ก็ต้องไปบินท บ, บาท แล้ไม่ให้ขาดด้วยให้เป็นวัดภายในสติอืมเของตัวของเราเองกํากับกับการตรงองค์องของการภาวนาของเราไม่สนใจกับอะไรใครจะให้อะไรไรไม่สนใจจะได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามไม่สนใจยิ่งกว่าทำคือสติธรรมปัญญาธรมที่กํากับใจรักษาใจไปตลอดสายตั้งแต่ไปึงกระทัง่งกลับมาให้มีสติให้มีปัญญาพิณิพินพจนาภายในตัวเสมอนั่นแหละที่ว่าบิณฑบาตก็เป็นวัดแท้บิณฑบาตก็เป็นประโยชน์ แต่ไปหากินที่เฉ้มันเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์แต่พุงมันก็เห็นขี้ดีกว่าไส้ไปนสี่อย่างนี้คําว่าขี้คืออะไรก็คือพุงไส้คือคืออะไรก็คือทำนะมันเห็นอาหารดีกว่าทำเลยมันใช่ไหมล่ะอะไนที่จะพูดกันมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้หรอผมก็ลืมๆไปอันนี้พูดธรรมะก่อนที่จะทําอะไรอะไรหรอือไง เอาละการพูดกันมันานานคนคนนีกน้ก็เหนื่อยๆนะในขังรร้งพุทธการท่านอ่าไวในประวัติในหนังสือในตำรามีพระสวดมนต์อยู่ในถ้ำทั้งข้าวมันเกาะอยู่เพาดานถ้ำเป็นจํานวนมากนะเวลาพระสวดมนต์มันฟังมันฟังพระสวดมนต์เพลินนี่เพลินไปเลยถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดจากนั้นตกลงมา ลงมาพื้นกับมันก็เป็นหินนี่อยู่นในถ้ำพื้นมันจะไม่เป็นหินเป็นอะไรไปหลุดลงมาพร้อมกันนะฟังว่านันเป็นอย่างไงบันดุบรรดาอเลยตกมาตายแล้วไปสวรรค์ทั้งหมดว่างข้างข่าวนั้นตายแล้วไปสวรรค์เพราะมันเพิน ฟ, ฟังฟังสมมาของบุริ ของพระท่านตรวจมนุษย์นั่นะเพิน่นข้างค่าวเหล่านั้นนะตดมาแล้วตายกันไปสวรรงกันทั้งนั้นนี่ใครละ่ะรู้จิดวิญญาณของข้างค่าวเหล่านั้นอ่ะอพระพุทธเจ้าตรงรู้ปิดอะไรมาปิดลี้รับของพระพเจ้าได้ไม่มีอะไรจะมาลี้รับตอบพยานขององค์พระอรหันต์บางองค์ คุพระาไม่ทั่วไปนะจะมีตามนิสัยองค์ไหนจะไปเชี่ยวชาญทางไหนเช่นอย่างพระอนุรุธอย่างนี้เป็นต้ น, นเนี้ยวเชี่ยวชาญในทางนี้พระพุทเจ้าทรงทราบว่าขัาข้นขานั้นไปเดเพินในธรรมจิตของขังข้นขานั้นเพลินในพระพันสวดมน เพินในธรรมแล้วตกลงมาแล้วตายแล้วไปสวรรค์คือพระ พ, พุทธเจ้าไม่สงทราบนี่แหละที่ว่าคิดุปาพยายามทรงทราบของเกิดกองตา ย, ยทั้งหมดทั้งหลายได้อย่างคล่องที่สุดแตคือเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาตินะไม่ใช่จะกําหนดต้องมีเหมือนจะว่ากะนับนับน้นนับนี่นับหนึ่งนับสองสามไม่ทันพยาย า, อย า, ามอย่างยากเพิบเยือดรูปหมดเป็นหลักธรรมชาติอแล้วก็เป็น วิสัยของสัพพญญูด้วยวิสัยของกับสดาด้วยไม่ใช่วิสัยของธรรมดา ท, ทั่วไปแล้วกดพิจูจนพระอ ะ, อะไรที่ไปตายเป็นเล น, นะอยูไในเลนนะนะึลืมละพระพะพติดจักนะพะติดจักืดกผ้ามาเย็บผ้าได้ผ้าใหม่มาจากสกุล ญ, ญาติโยม น, นะโยาามพรา โมถวายผ้ามามาตัดยีวอนํามาตัดยีวอนเย็บย้อมช่วยกันเสร็จเอาย้ อ, ยอมยีวนเสร็จแล้วเป็นโลกในปัจจุบันขึ้นมาท้องร่วงในปัจจุบันได้ตายในในคืนวันนั้นพระพระปิจารแตายแล้วทีนี่ก็มานจะเอายีวอนนี้มาแจกกัน องไหนที่กีวรอนชองรุดง่ายองไหนที่กีวอนขาดขาดมากกว่านันก็จะเอาติ๋้ิญยวนพระติสาให้พระองค์รับสั่งทันทีเลยพอถึงเช้าวันหลังขึ้นมาห้ามไม่ให้ไปแตะกีวรของพระติสาเป็นอัรขาดรังนี้ไปแตะก็ไหม่ก็ให้าไปแตะห้ามเลยเป็นอัรขาดนเดี๋ยวนี้พระติสาแทนที่จะไปสู่สุคติ ถ้าเร่งสิ้นขี้เล็ดอยู่ก็ควรไปสู่สุกติโลกสวรรคไม่ยอมไปวารากักขี่วอนหวงขี่วอนเดี๋ยวนี้มาตายแล้วมาเป็นเรนจีนขี่อวอนนะฟังสิละยืนไหมพระเจ้าแล้วอย่าไปแตะด้วยนะพระกิจสะจะจะโกรธจะเครียดอะไรอย่างคานอง น, นั้น่ะคือเหมือนกับว่าใครๆเข้ามาล่วงล้ำสมบัติของของแกคุณง่ะยจิงห้ า, ามไม่พระไปไปแตะต้องเลยเจ้ะอยู่เจ็ดวันระวังนั้น แล้วเล่นนี่ก็จะตายพอถึงเจ็ดวันร่วงพอเจ็ดวันล่ว ง, งไปแล้วโค้งก็ลงพิจารณาแล้วก็รับสั่งให้เอาจัดการได้จีวันนี้แจากพระจี่วานชมชุดชุกโทมแจกได้พระสวรรค์โอพระปิจัไปสวรรค์แล้วนั่นฟังสิมีอะไรตำราบอกไว้อย่างชัดเนจนเลยติดตรงนี้มันขนาดนั้นอะมันละเอียดขนาดนั้นมันไปเกาะตรงไห น, นมันมันติดตรงนั้น มันเป็นอุปทานมันไปยึดไปเกาะและ้วพอขาดพระมันมันก็ติดเลยนี่เป็นอุปทานจึนงเป็นยัไม่ขาดใจขาดมั่งยึดนั้นยึดนี่มีอุ้งพังมันหมดวิชาตัวเดียวเท่านั้นพังมันลงเลยแล้วมันไม่มีอะไรไปรยึดหรอกตายแบบไหนก็ตายเถอะพระอรหันต์ถ้าลงได้สิน้นกิเลสแล้วตายตายแบบไหนตายเถอะว่างั้นเลยถ้ามีปัญหาอะไรทั้งนั้น โดยประการทั้งปวงไม่มีแม้เปอร์เซ็นเดียวก็มีจะเช่นอย่างพันเปอร์เซ็นต์นี้จะนับเอาหนึ่งปอร์ซ็นต์นี้ก็ ม, มทีท่านจะมาผิดมาพลาดเพราะเรื่องสมมุตินิยมนี่ไปทับถมกิบบนสูงท่านให้กลายเป็นเรื่องสมมุตินิยมไปนี่ไม่มีมันเป็นมันเป็นมันเป็นอาถรรพแล้วคืออาถรรพหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นไปตามอะไรไม่ได้แล้วหรืออกุปะ มันเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงโดยหลักธรรมชาติแล้วนะเดี๋ยวตามตามหลักธรรมชาติทําหลักธรรมปกตินิสัยของท่านแต่ละองค์ละองค์นี่มีนสัยไม่เหมือนกันอย่างที่ท่านหลวงู่มั่นท่านบอกไว้ในที่เราเขียนไว้ในประวัตินะทั้งท่านมาองค์ยืนนิพพานก็มี น, นี่ท่านทําตามนิสัยของท่านในวาระสุดท้ายท่านถนัดทางไห น, ท, นท่านชอบตั้งตามอธิยาศัยบูญง่ายนะ จะเอาแบบไหนตั้งแต่องท่านอย่างสบายๆเพราะเหนือจิตอันนั้นไม่ได้มานับเข้าในเกี่ยวข้อขันนี้เลยไม่ได้มีความความได้ความเสียเกี่ยวกับขันนี้เลยอจะเอาอะไรมาให้ท่านหวังจะเอาอะไรมาบังคับท่านหลักเพราะฉะนั้นท่านจะยืยนิพานขั้งกว่ายืนได้อย่างสบายในฐานะอันความเป็นมระานของท่านเองและเป็นอาถรรพ์สำหรับขันไหนที่ขเขาเปียกยําทำลายท่านไม่ได้ท่านจะนั่งนิพพานทั้งกว่าท่านก่นนานิพพาน ท่าจะนอนนิพานก็ได้นั่งนิพานก็ได้ตามสบายสบายสบายของท่ า, า น, นทั้งนั้นแต่ส่วนมากส่วนมากการนอนไม่มากมั้นไม่มีปัญหาอะไรมือมันหมดมีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นปัญหาของใจถ้าลงอันนี้ได้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยหมดหมดแล้วหน้าคุณนี่ก็เอาละเลิกกันแล้วมีอะไรอีกมีไหม anh n h lại được không?